ตอนดูที่เจตนาวันที่14มิถุนายน2558กาบในมัส ก, การพระคุณเจ้าสามมณีคุณเมชีกะลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเป็นปกติทุกวันอาทิตย์นะก็วันนี้มีสามคำถามนะก็ เข้าเรื่องเลยจะไม่ต้องใช้เวลามากคําถามแรกจะรู้ได้ยังไงว่าเข้าถึงหรื อ, อยังถ้าคนเข้าถึงเขาก็ไม่ถามเนาะมันเป็นปัจจตังเวทีดัโพโววินโยหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนกินเองก็อิ่มเองนะไม่มีผู้เข้าถึงไม่มีสิ่งที่ถูกเข้าถึง แค่วางก็ถึงลนะนะเนี่ยมันเป็นปัจจิตังนะบางอย่างเราพูดด้วยภาษาไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งเลอะเลือนยิ่งพูดยิ่งขัดแย้งนะผู้เจ้าถึงบอกว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตนะกินเองก็อิ่มเองนะเห็นเองก็รู้เอง ถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีข้อลังเลสงสัยเรียกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธ์จะมีไม่มีข้อกังขาใดๆท้งนั้นจะไม่หาคำตอบนะก็ข้อต่อไปเมื่อกี้พาอครูอ่านเข้าๆข้อนี้น่าจะเป็นนักวิชาการนะส่งมาจากทางไกลมั้งผลของการปฏิบัติ ข้อหนึ่งที่พ่อครูพูดถึงคือเกิดอาการไม่คิดหรือสิ้นคิดในขณะเดียวกันได้ยินคำว่าดำริชอบหนึ่งในมรรคแปดมรรคมีองค์แปดในที่นี้มีคำอธิบายอย่างไรคะขอถามอย่างหนอนตัวน้อ ย, อยแสดงว่าคงได้ยินอาทิตย์ที่แล้วที่พูดเรื่องหนอนนะ เรื่องผีเสื้อก็เข้าใจถามในเชิงวิชาการแล้วก็เอายกคำพูดที่เป็นภาษานั้นนะมานั่งตีความกันนะก็ดีพรากูนูโมทนาด้วยไอโซเชียลมีเดียนี่มันน่าจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนะเรียนรู้ให้ข้อคิดแม้กระทั่งวิจารณ์กันบ้างนะตาม อัตภาพแต่ถ้าจะวิจารณ์แรงๆก็ต้องวิจัยก่อนถ้าไม่รู้ก็ถามกันก่อนอันนี้ดีมากเป็นการสร้างสรร น, นะก็ <c oughs> คำตอบอยู่ในคำถามหมดแล้วนะคำถามคือว่าผลคำแรกผลนะผลของการปฏิบัติผลของการปฏิบัติ ข, ตข้อหนึ่งที่พ่อครูพูดถึงคือเกิดอาการไม่คิดหรือสิ้นคิด สิ้นคิดจึงเป็นผลที่เราปฏิบัตินะแต่ถามว่าในขณะเดียวกันได้ยินคำว่าดำหลี่ชอบซึ่งเป็นหนึ่งในมรมีองแปดในที่นี่มีคำอธิบายอย่างไรคะก็ต้องแยกเป็นสองส่วนดำหลี่ชอบเป็นเรื่องของมรติเป็นหนึ่งในมรตมีองแปดเป็นช่วงที่กาลังจะเดินทางกาลังปฏิบัติแต่ เราปฏิบัติแล้วเรากลายเป็นคนสิ้นคิดนะเป็นคนสิ้นคิดไม่สร้างมโนกรรมอีกแล้วอันนี้คือผลมักผลผลสูงสุดคือ น, นิพพานนะทีนี้คำถามตัวนี้พยายามจะคือไปเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็ไปเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งคือคำว่าดำหรืชอบไปเข้าใจว่าเป็นความคิด ดำริชอบไม่ใช่เรื่องความคิดนะยังพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยบางทีพระองค์ทรงดำรินะคือชี้ทางในพวกเราดาริจริงๆแล้วถ้าดำรินี่ในทางวิชาการในมัคมีองแปดนะเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบมันคือความมุ่งหมาย ที่จะไม่ทำความเดือดร้อนเบียดเบียนหรือทำความลำบากให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ผูกพยาบาทหรือจองเวร น, นะและพยายามละกา ม, มาลมนะหรือดำรีว่าจะออกบทดำรีไม่ได้แปลว่าความคิดมีความมุ่งหมายทีนี้ไอ้ความมุ่งหมายนี่จะเกิดขึ้นได้ ความมุ่งหมายเนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความมุ่งหมายที่ชอบเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนนะต้องเห็นชอบทีนี้ทุกวันนี้เราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดมันเป็นการเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเราเห็นผิดเป็นผิดชอบยังไงเราบอกว่าถ้าเรามั่งคั่งเราล่ํารวยแล้วนั่นแหะคือความสุขนั่นคือความมั่นคง ถ้าเรามีความเห็นแบบนั้นนะแล้วก็ดํำรีว่าเราต้องรวยทุกรูปแบบแม้กระทั่งพ้นก็เอาขโมยก็เอาโกงก็เอาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดํำรีไม่ชอบดํำรีจึงไม่ได้เป็นว่าความคิดมันเป็นความมุ่งมั่นที่จะเดินไผ่ไปถึงเป้าทีนี้คําว่าชอบนี่คือสัมมาคือว่าไปในทางบวกแต่ถ้ามิจฉานี่ไปในทางลบ นะตอนนี้ความรู้ที่เราเรียนทางวิชาการเนี่ยตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีโทเอกก็ช่างเนี่ยเกือบทั้งหมดมาในรูปของภาษาในรูปของตัวอักษรนะเพราะครูเป่งวาจามา26ปีนั่นะนักวิชาการเขาพยายามจะจับคำพูดนะความรู้เขาเกิดจาก คำพูดจึงไปเป็นรูปของภาษานะเพราะเขายังไม่เคยเข้าไปสัมผัสตัวในนะก็ทะเลาะกันนิพานเป็นอัตตาอน ต, ตานะแต่ไม่เป็นไรเมื่อเรายังไม่รู้แท้เราก็ถามแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องสร้างสรรค์แต่ทุกวันนี้พรอกูเปิดเข้าไปในโซเชียลมีเดียไม่เป็นนะพ่อกรูกดโทรศัพท์ไม่เป็นบางทีแก้วก็รายงานบ้างว่าอะไรว่างยุคนี้เนี่ย บางทีไม่ค่อยวิจัยกันวิจารณ์กันวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรนะคือตัดสินเลยตัดคอเลยนะนะถ้าใครทำแบบนี้ไม่ใช่ตกนรกหมดอะไรพวกนี้นะน่ากลัวมากนะเยาวชนตอนนี้ก็เป็นเหยอพอเขาเขาเรียกว่าลายใช่ไหมหรือเขาเมลมานะเพราะกูก็ไม่รู้ว่าเขาว่ายังไงอะ่ะส่งข้อมูลมาปุ๊บกลัวช้ากว่าเพื่อนนี่ส่งต่อทันทีเลยโดยไม่ได้สังเคาะน่ากลัวมาก แสดงว่าเราถูกดึงเข้าไปร่วมสังคกรรมเข้าไปแล้วและกรรมตัวนี้ใหญ่หลวงนะทุกวันนี้เราคุยกันในกอในขอคุยถูกบ้างผิดบ้างมันก็จบอยู่แค่สองคนอันนี้เขาเข้าไปในนั้นปุดด๊บเนี่ยไปทั่วโลกเลยและเป็นพยานหลักฐานชัดๆนะอันนั้นรวมหมดเลยนะสามองค์ครบเลยคือมโนกรรมวัจีกรรมกายกรรมเล่นสนุกกันใหญ่เลยนะพวกกลัวน่ากลัวมากจริงๆแล้วไอ้โซเชียลมีเดียตัวนี้มันมีประโยชน์มาก นะหลายปีก่อนเขาบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นยุคข่าวสารไรผมแดนนะพเพราะครูบอกว่าถ้าข่าวสารดีก็ดีไวถ้าข่าวสารเร็วก็เร็วไว <c oughs> ตอนนี้มันดีมันเร็วดูเอาเองนะถ้าเราดูจักใช้มันเนี่ยนะ <c oughs> เราแลกเปลี่ยนความรู้กันเร็วมากแต่ตอนนี้เราด่ากันเร็วมากทาลายล้างกันเร็วมากนะก็ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เพราะคูจะทบทวนว่าเพราะครูพูดตลอดว่าคนคิดเป็นคือคนไม่คิดมิใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นนะคนคิดเป็นถ้าจำเป็นต้องคิด ก็คิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแระผู้อื่นนี่คือคิดแต่เรื่องเป็นสัมมาคิดที่ถูกต้องแต่ถ้าคนบรรลุธรรมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่มีอนาคตแล้วเนี่ยเขาไม่มีเหตุต้องคิดที่พวกครูเรียกเป็นคนสิ้นคิดแต่ทีนี้ตั้งแต่เล็กๆเราถูกสอนว่าเธอลูกต้องคิดเก่งนะต้องคิดเป็นคนคิดเก่งนะถ้าใครไม่คิดนี่ถือว่าโง่หมดคิดไม่เป็น เราก็เลยคุ้นเคยว่าชีวิตเราต้องคิดสิไม่คิดได้ยังไงมีคนถามบอกกูไม่คิดได้ยัง ไ, มม ไ, มดไดงไมันเป็นไปได้ยังไงถามว่าคำแรกก่อนคิดได้ยังไงต้องถามคืนก่อนออไม่ใช่คิดได้ยังไงถามว่าทำไมไม่ได้ตารวจจับไหมผิดกฎหมายข้อไหนต้องขออนุญาตใครหรือเปล่าไม่คิดมันผิดตรงไหน แต่ตอนนี้มันกลายเป็นกิเลสเราแล้วว่าถ้าไม่คิดเนี่ยแปลกไม่น่าเชื่อเห็นั้มเราก็เลยคุ้นเคยกับบอกว่าต้องคิดสิทีนี้เราก็เข้าใจคาว่าดหลีชอบนี่คือความคิดมันไม่เกี่ยวกับความคิดเลยนะมันเป็นความรู้สึกความตั้งมั่นเมื่อเรารู้ว่าเส้นทางเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ควรจะเดินเมื่อเราเดินไปแล้วมันจะพ้นทุก เราก็ดำดีว่าเราต้องมีตั้งมั่นมุ่งหมายที่จะเดินมันไม่ได้ผ่านความคิดนะทีนี้เราไปเข้าใจว่าดำดีชอบคือความคิดทีนี้คำถามนี่เหมือนว่าถ้าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พวกครูเป่งออกมาเนี่มันขัดแย้งกันเองอันหนึ่งว่าผลของการปฏิบัตินั้ น, นผลของการปฏิบัติซึ่งเขียนมานี่ไม่ได้ผิดเลยนะคำตอบอยู่ที่เขาคำถามนี้แล้วว่า ปฏิบัติคือเมื่อเราปฏิบัติมากๆแล้วเนี่ยผลของมันคือเกิดอาการไม่คิดแล้วก็เป็นคนสิ้นคิดแสดงว่าไอ้ที่เราไม่คิดเราสิ้นคิดนี่คือผลที่เราปฏิบัติมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติแต่ตัวมัคเนี่เป็นตัวกําลังปฏิบัตินีก็บอกว่าสัมมาทิฏฐิคือดำดำัมดิชอบเนี่ยตัวสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นหนึ่งในมัคมีองค์8อันนี้ก็รู้นะอันนี้เป็นช่วงที่เรากําลังจเจริญมัค กำลังปฏิบัติอยู่แต่ตัวสิ้นคิดคือตัวผลนะอันนี้ประเด็นนี้คล้ายๆว่า เ, ออเขาไม่เข้าใจมันเป็นคนละช่วงนะเมื่อเราออกกำลังกายมากคือออกกำลังกายปุ๊บผลคือเราแข็งแรงอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองก็งไปเข้าใจคำว่าดำรีชอบเป็นความคิดอันนี้ก็ตัวเข้าใจผิดอีกบล็อกหนึ่ง ก็เข้าใจผิดก็ชี้แจงให้ฟังเนี่ยเพราะเพราะครูบอกแล้วไงภาษาไทยด้วยกันอ่านปึ๊บทุกคนเข้าใจไม่เหมือนกันผู้ทีเจ้าถึงเตือนว่าอย่าพึ่งเชื่อตำราเพราะตำรามันในรูปของภาษาทั้งนั้นแหละตัวอักษร อ, อย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราเพราะท่านพูดในรูปของภาษา เพราะภาษาเป็นว่าปุ๊บเราอาจจะเข้าใจผิดใช่ไมเราเข้าใจดำรีชอบเนี่ยแปลว่าคือความคิดนะอันนี้ก็จูนกันนิดหนึ่งไม่เป็นไรเพราะกูก็คอโมทนาบุญด้วยว่าที่อุตสาถามมาจะได้อาจจะหลายๆคนอาจจะเกิดข้อกังขาตรงนี้อยู่แล้วนะก็เป็นการสร้างสันดิแบบหนึง่งทีนี้ในมัชมีองศาดัข้อแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะทีนี้ความเห็นชอบเนี่ยคือเห็นอะไร ความเห็นที่ถูกต้องเห็นที่ถูกครองธรรมเห็นตามความเป็นจริงแล้วพูดยังไงก็ช่างทีนี้ทุกคนก็ว่าฉันเห็นฉันเห็นนะนะแต่บางทีสิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงก็ได้ถ้าเราไม่เข้าถึงปัญญาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เถียงกันหละเห็นเรื่องเดียวกันแต่เห็นคนในยะมันมันต่างกันนะสุดท้ายก็ต้องฝึกให้เราเข้าถึงปัญญาจริงๆนะถ้าเราเข้าถึงตัวนั้นจริงๆเนี่ย เราไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่อเมริกาอยู่อังกฤษหรือว่าโตเกียวก็ช่างเราจะเห็นสิ่งเดียวกันและสิ่งความจริงนั้นน่ะอีกกี่ล้านปีก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะทีนี้มันต้องมันต้องฝึกให้ตัวเองเข้าถึงตรงนั้นก่อนนะเพนตะว่าภาษามันพูดได้แค่นี้ทีนี้ไอ้สัมมาทิฏฐิที่เป็นส่วนของอริยมรตมีองค์แปดเนี่ยหมายถึงความเห็นในอริยสัจสี่นะ ความเห็นดนยศศีก็คือเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากนะทีนี้พวกเราทุกวันนี้เราทุกทุกวันปวดท้องไปปวดทุกนะแ้เข้าห้องน้ำปุ๊บเราบรรลุทุกวันเราปวดทุกก้อนนั้นปวดทุกเวลานั้นเราถูกด่าปุ๊บเราทุกเจ็บใจเราทุกใจนะแต่เราไม่เห็นทุกเราทุกทุกวันแต่เราไม่เห็นทุก เราถูกอารมณ์อยากอารมณ์กลัวต่างๆเนี่ยเราทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์เราจึงไม่เห็นธรรมนะคำถามนี่จริงๆแล้วไม่ซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าในตัวคำถามนั้นนะ่ะก็พูดชัดเจนคือผลของการปฏิบัติอนี้คือผลไงนะที่พวกครูบอกว่ามันจะเกิดอาการไม่คิดหรือสิ้นคิดก็ถูกละ เราปฏิบัติเรื่อยๆนี่เมื่อเราไม่มีอนาคตแล้วเราไม่มีความอยากแล้วเราไม่มีเหตุต้องคิดนะที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเราจึงคิดเรามีความอยากเราจึงคิดเราคิดวางแผนแต่เมื่อเราไม่มีอนาคตไม่มีความอยากเราไม่มีเหตุต้องคิดอันนี้คือผลของการปฏิบัติมักผลนิพพานผลสูงสุดคือนิพพานนะ ก็ส่วนดำริชอบนี่ก็เป็นหนึ่งในมัคมีวงแปดนะเห็นชอบดำริชอบเป็นเรื่องของปัญญาอยู่ในหมวดของปัญญานะวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นอยู่ในหมวดของศีลจะมุ่งสู่ความพ้นทุกมีศีลแค่สามข้อไม่แบ่งชั้นวรณะไม่ว่าจะชนชาติใดนะเผ่าพันธุ์ใด อาชีพใดถ้าปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกมีศีลในการปฏิบัติแค่สามข้อนะคือวาจาชอบการพูดจาคำว่าชอบพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อ ต, ตัวเองและผู้อื่นพูดแต่เรื่องสร้างสรรค์ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดปดมดเท็นะไม่โกหกไม่พูดใส่ร้ายป้ายสีอันนี้คือวาจาชอบอาชีพชอบ อาชีพที่เราดําเนินอยู่ที่เลี้ยงชีพเนี่ยต้องไม่มีผู้ใดเดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนี่คืออาชีพชอบไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันพูดตรงไปตรงมาฉันไม่โกหกเลยมันดีก็ขายแพงมันไม่ดีก็ขายถูกนะแค่นี้เรียกว่าอาชีพชอบได้ไหมยังถ้าเราทุกอาชีพนั้น ไม่ได้กินไม่ได้นอนเพราะความมั่งคั่งอยากรวยนะั้นน่ะมันไม่ชอบเราเบียดเบียนตัวเองแล้วนะอาชีพชอบเนี่ยต้องไม่มีผูใ้ใดเดือดร้อนนะทีนี้ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วศินมีแค่ข้อเดียวก็พอคือการกระทำชอบการกระทำโดยการพูดการกระทำโดยการทำมาหากินเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเขาแยกให้เห็นชัดนะการกระทำชอบทุกการกระทำของเราเนี่ยต้องไม่มีผูใ้ใดเดือดร้อน นี่คือเขาเรียกว่าชอบถ้ามีคนเดือดร้อนปุ๊บคือมันไม่ชอบชอบคือสัมมาไม่ชอบคือมิฉานะเนี่ยจะไปนิพพานง่ายๆนะทำแค่สามข้อยากไหมไม่ยากนะแวกว่าจะเรียนอนุบาลจนถึงมัธยมปริญญาตีโทเอกแทบตายเรียนก็ทุกข์จบออกมาไปทำงานก็ทุกข์อีก วันจะตายตายไม่ลงก็ทุกข์อีกยังทุ่มเทตลอดชีวิตไปเลยนะผู้เจ้าพูดง่ายๆแล้วก็ทําไม่ได้ยากด้วยตํารวจไม่จับไม่ต้องขอวีซา่าจะไปเรียนต่ออเมริกายังต้องไปขอวีซา่าบางทีเขาก็ไม่ให้เรอาอพาร์ตอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตใครนะง่ายที่สุดทีนี้ศีลเนี่ยเท่าเทียมกันไม่แยกชั้นวันลนะส่วนศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกเนี่ยมันเป็นวินัย เกิดขึ้นทีหลังนะเป็นศีลในการอยู่ร่วมเหมือนกติกาเราเราสร้างกฎหมายขึ้นมาอะไรนี่แหละกฎหมายเหตุข้อตกลงนะพวกเราผู้คองเรือนอถือศีลห้าก็พอต้องทำามาหากินแต่ต้องใช้เวลาว่างนะไปเลี้ยงพระไปเลี้ยงเนเรเลี้ยงชีเพราะท่านเหล่านั้นเป็นนักบวช ไม่มีหน้าที่ทำมาหากินมีหน้าที่ศึกษาธรรมนะแล้วก็สินห้าก็พอนะโอเคปฏิบัติมาให้เข่งหน่อยหนึ่งให้เราอยู่ศินแปดอันนี้เป็นวิในยนยะกตัวอย่างสินห้านี่มีข้อไหนบ้างให้ปฏิบตัติไม่มีเลยนะละเว้นการฆ่าสัตว์ฉันก็นั่งเฉยๆฉันไม่ฆ่าสัตว์ ละเว้นการพูดปลดมดเท็ดฉันก็ไม่โกหกฉันก็นั่งเฉยๆผิดศีลในกรรมฉันก็ไม่ทําฉันก็นั่งเฉยๆลักขโมยฉันก็ไม่ขโมยฉันก็นั่งเฉยๆเห็น ไ, ไหมห้ามกินเหล้าเครื่องดองของเมาฉันก็ไม่กินฉันนั่งเฉยๆเราก็เท่ากับเก้าอี้ตัวนี้เท่ากับหินก้อนหนึ่งมันเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราไปสร้างการรมเท่านั้นเอง เมื่อไม่ทำอะไรเลยมันจะเกิดบารมีได้ไหมมันจะไปนิพพานได้หรือเปล่าอันนี้คือศีลวินยัยแต่ศีลเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์เนะ่มีสามข้อเท่าเทียมกันหมดไม่แบ่งชั้นวันนะนะคือวาจาชอบอาชีพชอบการกระทาชอบนะศีลในมักทีนี้ความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบอันนี้อยู่ในหมวดของสมาธิพราคูชี้ให้ดูนะ ความเพียรกับแม้กระทั่งสติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิมันไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่ตอนนี้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเก้าสบเอร์ซนี่ไปจบที่สติสติส ต, สติมันจึงไม่ไปไหนไงนะสติไม่ใช่พระเอกแล้วมรรคบีองแปดนี้มาจากไหนเป็นตัวขยายผลของไตรสิกขา ก็คือสินสมาธิปัญญาเขาก็ขยายให้เป็นแปดเพื่อให้มันเห็นชัดเจนในสินสมาธิปัญญาถามว่าสติเอาไปซ่อนอยู่ไหนเมื่อเราจเจริญสติสติเป็นพระเอกแล้วสติอยู่ไหนล่ะเอาทานสินภาวนาสติอยู่ไหนก็ไม่เห็นแต่ไม่ใช่สติไม่สำคัญสติเป็นเครื่องมือในการเดินทางซึ่งสาคัญเป็นหนึ่งในแปด แต่ไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเนี่ยทำให้พวกเราเกิดปัญญาผลสูงสุดคือ น, นิพพานไม่ชีไปปิดพรรั ด, ดพรรวมเนี่ยมักมีองแปกมักคือทางเดิน เพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์แต่มีข้อจำกับแปดข้อนะทีนี้เราฝึกสติสติข้อเดียวในกำลังมันถึงไหมตอนนี้เราทำมาหากินเรื่องเดียวเนี่ยพอไหมนะทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะแต่มุ่งทำมาหากินตลอดชีวิตน่มันก็ไม่พ้นทุกข์เพราะว่ากำลังมันไม่ถึงมันต้องทั้ง8ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปเนี่ยมันเป็นความถูกต้องไหม ให้มันสำรวจดูว่ามันขัดแย้งหนึ่งในแปดเนี่ยมีแต่มแ ม, ม้กระทั่งข้อเดียวผิดปุ๊บเนี่ยก็คือผิดต้องไม่ได้ผิดเลยทั้งทั้งแปดข้อนี้เนี่ยมักมีองค์แปดเรียกว่ามักสมังคีนะแดข้อนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวนะถ้าเราสามารถดำรงชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยนิพานอยู่ใกล้ๆนะโอเคนะผ่านคำถามนี้ เขาไม่ได้ถามบอกมรกคืออะไรแต่เมื่อเขาพูดถึงดําริชอบหนึ่งในมรคมีวงแปดแล้วก็ถือโอกาสพูดนะให้คนที่มีโอกาสไม่เรียนรู้ก็รับฟังไม่ต้องไปจํามันหรอกนะสิ่งเหล่านี้นี่รู้ก็ได้ไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้ปฏิบัติข้อที่สองเนี่ยมุ่งตรงมากับพขข่อครูข้อแรกก็ข้อข้อเมื่อกี้นี่ก็ตรงมากับพ่อครูนะเพราะเป็นคําพูดของพ่อครูเรื่องสิ้นคิดนะเรื่องดําริชอบ ทีนี้ข้อนี้ก็พฤติกรรมที่พ่อครูพาครอบครัวโดยเฉพาะลูกทั้งสองที่ยังเล็กอยู่เปลี่ยนชีวิตที่สะดวกสบายจากเมืองนอกมา อ, อยู่ป่าไม่เป็นการทวนกระแสหรือไม่เป็นการริตรอนสิทธิเด็กหรือโอเคมีคำถามนี่มีสองประเด็นคือหนึ่ง ไม่เป็นการทวนกระแสเหรืออันที่สองไม่เป็นการริดรอนสิทธิเด็กเหรือโอเคนะก็อนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้คำถามนี้คนละคนทีนี้เราเริ่มจากตัวทวนกระแสก่อนทวนกระแสมันคืออะไรนะส่วนมากเราเข้าใจไปในทางลบ เหมือนเหมือนว่ากำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะหรือต่อต้านอะไรบางอย่างที่ผู้คนส่วนใหญ่เขายอมรับและทำกันเหมือนเป็นการทำลายความเป็นปกติที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ ถ้าใครทำไม่เหมือนเหมือนเราที่เราเคยชินแบบนี้เฮ้มนุษต่างเรานะอ้นนี้ทวนกระแสเราจะมองเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นไปนทางลบเป็นการทำลายความเป็นปกติของเขาแล้วมองมุมเดียวนะจริงๆแล้วไอ้ตัวทวนกระแสเนี่ยจากความรู้สึกในทางลบเหมือนเป็นการทำลายอะไรบางอย่างนะทำลายสมบุญบัญญัติที่เขาเคยชินอะไรเนี่ยนะ อันนี้คือความรู้สึกส่วนใหญ่นะแต่การทวนกระแสในด้านบวกคือทวนกระแสเพื่ออะไรเราต้องถามก่อนว่าคุณทวนกระแสเพื่ออะไรคุณมีเจตนาอะไรที่คุณทวนกระแสความเคยชินนะนะเนี่ยทวนกระแสเพื่ออะไรบางอย่างแต่ทวนกระแสไม่ได้ทําลายกระแส ปลาเป็นทวนน้ำปลาตายตามน้ำปลามันไม่มีเจตนาทำลายกระแสน้ำเลยแต่สัญชาตญาณเนี่ยมันรู้ว่าถ้ามันตามน้ำบ อ, อกไปทะเลมันตายหมดมันจึงว่ายทวนกระแสแต่มนุษย์เราทุกวันนี้ไม่กล้าทวนกระแสเพราะจะถูกเขาถามแบบนี้แหละไม่เป็นการทวนกระแสหรือตอบว่าพฤติกรรมพรอครูคือใช่ทวนกระแสแต่พรอครูไม่ขวางกระแส ไม่เคยไปด่าเขาเลยว่าพวกเธอเนี่ยเดินทางผิดแต่ชีวิตของเราเรามีสิทธิ์ทวนกระแสแต่เราไม่ทำลายกระแสนั้นเราไม่ขวางกระแสนะต้องเข้าใจเจตนาก่อนแล้วทำเพื่ออะไรล่ะแต่ทาน ก, นกระแสด้ดานด้านบวกคือทวนกระแสเพื่ออะไรบางอย่างอะไรเนยนะอย่างดังเช่นยกตัวอย่างเนี่ย คือทุกวันนี้เพราะกูไม่จําอะไรเลยนะมีอะไรเพราะกูก็โน้ตไว้ไม่งั้นมันมันมั น, ม น, ม น, มนไม่จํานะอย่างเช่นชายคนหนึ่งมีอาชีพสกัดหินเขามีหน้าที่ที่สกัดหินเนี่ยทำลายความเป็นสภาพหินเดิมในขณะเดียวกันเขาก็สร้างสรรหินแกะสลักที่สวยงามที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาใหม่ การสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงมันต้องอิงของเก่าแต่เราต้องมีเจตนาสมมติว่าเราหินตัวนี้เราไปบททิ้งหมดเลยนะแล้วก็ไปไปผสมปูนก่อใหม่เลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันทำลายกระแสะแต่ น, นี้เขาอิงของเก่าเนี่ยนะเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปบ้างมันเพื่อสร้างสรรค์เนี่ยพัฒนาให้มันเป็นสิ่งที่ มีมูลค่าเพิ่มหรือมีประโยชน์การทวนกระแสจึงเป็นการบูรณาการระหว่างลบกับบวกระหว่างทำลายและสร้างสรรค์ทำลายความเคยชินเดิมเพื่อสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์กว่าเก่าไม่มีเจตนาแบบทำลายล้างเหมือนสงคราม สงครามเนี่เป้าหมายคือทำลายล้างอย่างเดียวเผามันฆ่ามันให้หมดไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์เลยแต่การทวนกระแสนเนี่ยเราไม่มีจตลาจะทำลายล้างแต่เราต้องทำลายเพื่อสร้างสรรค์นะทำลายความทำลายก้อนหินก้อนนี้นะทำลายความความเป็นนั่นเนี่ยทำลายบางสว่วนแล้วก็เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่การทำสงครามเนี่ยทำลายอย่างเดียวนะเป็นลบอย่างเดียวนะไม่มีเจตนาแบบทำลายล้างเหมือนสงครามมีเป้าหมายเพื่อทำลายล้างให้สิ้นซากนี่คือสงครามเป็นมิติเดียวคือทำลายล้างมันเป็นแง่ลบไม่ได้สร้างสรรอะไรเลยแต่กระบวนการทวนกระแสไม่ได้ทำลายกระแส ไม่ได้ขวางกระแสเพียงแต่ไม่ไปตามกระแสเท่านั้นเองห็นไหมคือสมมติว่าเป็นชีวิตส่วนตัวเราเนี่ยเราทวนกระแสแต่ไม่มีใครผู้ใดเดือดร้อนเราไม่ได้เบียดเบียนใครเลยนะเหมือนเมื่อกี้พ่อกรูยกตัวอย่างนะปลาเป็นทวนน้ำปลาตายตามน้ำเหมือนคำานึงพูดหนึ่งว่าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลัง สมัยก่อนเราอยากก้าวหน้าเด็กเลงเก่งๆใช่ไหมอยากไปเมืองนอกกันทั้งนั้นแหละเห็นไหมอันนั้นเราตามกระแสแต่ทวนกระแสนี่ถ้าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังนะคำคำนี้แหละที่พาให้พ่อครูเนี่ยพาครอบครัวถอยหลังมาอยู่ในป่าจากเมืองนอกมาอยู่ในป่าไม่ใช่บ้านนอกนะ26ปีก่อนไม่มีบ้านไม่มีไฟฟ้าอยู่10กว่าปี อย่างพ ร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เคยดำริคำหนึ่งนะสมัยรู้สึกปี40เศรษฐกิจล่มยุค i อ f อมเอพระองค์มาให้สตินะใช้คำว่าถอยหลังเข้าครองนะถอยเข้าสู่ทํานองของธรรมที่มันควรจะเป็น แต่นักวิชาการไม่ได้เดินมาขนาดนี้ต้องลุยต่อแล้วก็ล้มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะล้มอีกครั้งหนึ่งเรื่อยอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยหลังมาสู่ทํานองครองธรรมที่มันควรจะเป็นนะทุกวันนี้ถอยได้ยังไงเดินมาขนาดนี้แล้วนะนั่นแหละคือคิดแบบความอยากไม่มีปัญญา ควรกระแสจึงเป็นทางสายกลางไม่ได้รังเกียจสิ่งเก่าแต่อาศัยสิ่งเก่าเพื่อสร้างสิ่งใหม่มันไม่ปฏิเสธทั้งเก่าทั้งใหม่ไปด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าไม่มีการพัฒนาของเก่าหรือเปลี่ยนแปลงของเก่าบ้างเนี่ยสิ่งใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ไม่มีเจตนาจะทําลายของเก่าแต่ตอนนี้คนยุคใหม่นะจะพัฒนาอะไรก็นเนี่ยขุดลากถอนโคนเลย ทิ้งของเก่าทั้งหมดเนี่ยอันนี้อันตรายมากเหมือนต้นไม้นี่ไม่มีรากเนี่ยนะสร้างต้นไม้เทียมขึ้นมาหมดลมมาทีหนึ่งก็พังการสงครามเพียงแค่ต้องการสิ่งทำลายสิ่งเก่าแต่ไม่ได้สร้างสรรสิ่งใหม่ทีนี้อาทิตย์ที่แล้วเนวี่ยพระครูจำได้นะเราพูดถึงเรื่องอิสรภาพนะข้อแรกคืออิสรภาพจากอะไร บางอย่างอันที่สองคืออิสระภาพเพื่ออะไรนะอย่างทุกวันนี้เราต้องการแค่อิสระภาพอย่างมหาตรมาคานทีเนี่ยต่อสู้ผู้ลุกลานประเทศอังกฤษนะสั่งผู้คนนั่งฝึกแบบใช้วิธีอหิงสานะปวดท้องอยู่ที่ไหนอึมันหมดเลยคนอังกฤษกลัวมากเขาต้องการสะอาดนะ เขาก็เลยถอยทัพกลับไปชนะแต่หลังจากชนะแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเราต้องการอิสระเพื่ออะไรคนอินเดียก็ฆ่ากันตายมหฮาตมะการ์ีก็ถูกคนอินเดียฆ่ากันตายอันนี้แหละต้องการแค่อิสระจากอะไรแต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรมหตรมาตมะคัน์ีก็ถูกคนอินเดียทึ่งความคิดต่างกันเนี่ยฆ่าตาย แต่จริงๆแล้วอิสระภาพด้วยตัวมันเอง น, น, นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยนะจนกว่าเราจะเลือกหนทางที่สร้างสรรได้มันจะต้องปูทางไปสู่อะไรบางอย่างเช่นเมื่อเรามีการตื่นรู้มากขึ้นทำให้เราค้นพบความจริงบางอย่างในตัวเราเช่นตัวเรามีพรสวรรค์บางอย่างที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เพราะเราถูกโซ่ตวนล่ามไว้เราไม่สามารถเล่นดนตรีได้เพราะว่ามือเราถูกมัดไว้เราไม่สามารถเต้นลำได้เพราะเท้าของเราถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตวล น, นะยกตัวอย่างเหมือนใครมาใหม่ๆที่นี่มายืนเช็คกิง้งนะเช็คกิ้งในวิชาสุนัขนะ เวลามันนอนนานๆเนี่ยนอนทับตัวเองปุ๊บร่างกายถึงเจ็ดมันขึ้นมามันก็เช็คผ่อนคลายร่างกายแล้วมันก็เห่ามันก็หอนผ่อนคลายอารมณ์เครียดนะมันจึงไม่เป็นมะเร็งแต่ที่นี้เราเช็คไม่ได้เราถูกโซ่ตัวเรื่องอายบุคลิกภาพมาลำทำไมนั่นแหละเรา เราเห็นพรสวรรค์เราแล้วแต่ว่าเราเราเราไม่กล้าที่จะพัฒนามันสร้างสรรค์เพราะเราติดโซ่ตัวนเหล่านี้นะถ้าเรากล้าถอดโซ่ตัวนออกอิสรภาพของเราก็จะสมบูรณ์นะก็พระครูนโนตไว้ว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจกับการทวนกระแสเนี่ย ก็คือมันมีการทำลายไปพร้อมกับการสร้างสรรค์ไปด้วยกันมันไม่ปฏิเสธดีชั่วถูกผิดมันเป็นการแต่การทำสงครามเนี่ยอูทำลายอย่างเดียวนะมันสุดโต่งบางสิ่งจะถูกทำลายเพื่อจะได้มีการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้น มันจึงเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจสำหรับคนทุกคนทั้งที่ผู้สนใจเรื่องการทำลายล้างและผู้ที่สนใจเรื่องการสร้างสรร์เราเดินทางไปด้วยกันได้ทีนี้การทวนกระแสมันไม่ใช่ปรากฏการณ์สำหรับมวลชนจำไว้นะการทวนกระแสเนี่ยไม่ใช่ปรากฏการณ์สำหรับมวลชนมันเป็นเรื่องของปัจเจกชน นะมันจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวจะใช้เป็นบรรทัดฐานเป็นอุดมการณ์ที่จะให้องค์รวมของสังคมต้องปฏิบัติตามทั้งหมดจึงเป็นไปไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมนะมีภูมิปัญญาที่ต่างกันการมองเห็นที่มาของปัญหาต่างกันการตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตจึงไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องของปัจเจก เราจะเอาความคิดเราบอกเฮ้ย hey, ทั้งโลกเนี่ยมาทวนกระแสะกระเถิดเนี่ยนะแล้วก็ขัดแยงนะถ้าคนไม่มีบุญบา ร, รมีหรือว่าไม่มีภูมิปัญญาอย่างมากเนี่ยเราไม่กล้าทวนกระแสะหรอกนะเดี๋ยวถูกด่าบอกไอ้ น, นี่คําว่าทวนกระแสะพวกเขาก็จะมองในแง่ลบเลยเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวเธอเป็นสิ่งที่แปลกนะแต่ถ้าเราไม่มีเรามีภูมิปัญญาแล้วเรามีกำลังพอเนี่ยเราก็สักแต่ว่าได้ยิน เขาพูดเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรานะแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินแต่เราก็ทวนกระแสต่อไปทีนี้ถ้าเรามีการตื่นรู้ว่าการตามกระแสเป็นเหมือนถ้าเรามีการตื่นรู้ว่าการตามกระแสนั้นเป็นเหมือนโซ่ตวนผูกเราไว้เราเป็นทาตของกระแสไม่มีสรภาพ ทางเดียวเท่านั้นต้องมีความกล้าหาญที่จะทวนกระแสโดยไม่ต้านกระแสมิฉะนั้นก็ไม่มีวันที่จะพบกับอิสระภาพที่แท้จริงเมื่อเราตื่นรู้แล้วว่าไอ้การทวนกระแสนั่น่ะมันเป็นธาตุมันไม่อิสระแต่เราไม่กล้าทวนกระแสเนี่ยชีวิตนี้เราก็ต้องตามนี่แหละคาตอบว่าพอเกิดอาการเราเบิดแล้วทำไมพ่อครูเนี่ยทวนกระแสมาเลย แต่พระครูไม่ได้ต้านกระแสมันเห็นชัดเจนว่าที่เราตามกระแสไปเนี่ยคำตอบคือทุกข์เราหาความสุขไม่เจอเพราะมันตื่นรู้มันชัดเจนแล้วเนี่ย ม, มันมีคำตอบมันก็เดินทางทวนกระแสเนี่ยอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังนะทีนี้มีคำพูดหนึ่งนะก็เป็นคำพูดที่สวยงามพระครูก็ เอามาอ่านให้ฟังมีเพียงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้อิสรภาพทั้งหมดยังคงอยู่มันคือการตื่นรู้โดยไม่ต้องเลือกโดยไม่ต้องเลือกเพราะไม่ว่าเราจะเลือกอะไรมันก็จะสร้างข้อจำกัดให้เราทั้งสิน้นที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่พิจารณาไม่ตัดสินไม่เลือกข้าง ระวางตัวเป็นกลางก็ตรงกันนะทีนี้เขายกตัวอย่างหนึ่งเนื่องจากที่นี่เรามีสตรีมากกว่าบุรุษนะแต่ถ้าอินเดียแล้วเนี่ยบุรุษนั่งอยู่เฉยๆสตรีเป็นคนมาขอแต่งงานเป็นประเพณีเขานะแต่ตอนนี้เนื่องจากสตรีมากกว่าบุรุษพราะครูก็ยกตัวอย่างกลับกันว่า ยกตัวอย่างมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะเด็กๆมัธยมต้องฟังนะลูกหล่อมากแยกระดาลาหนังเลยแต่ก็จนมากนี่สินลุงหลังแต่หล่อมากทีนี้บังเอิญเราเนี่ยชอบความมั่งคั่งล่ำรวยแต่เขาหล่อมาก เขาก็มาชอบเราไปเจอผูช้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยรวยมากมหารวยเลยแต่ขี้เหล่มากๆเขาก็มาชอบเราถ้าเราตัดสินเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพี่หงจะเลือกใคร อืมคนรวยพี่แพ็คเลือกคนหล่อเอออย่างนี้ไปด้วยกันได้ไม่ต้องแย่งกันทีนี้พเมื่อเราเลือกปุ๊บนี่อะไรเกิดขึ้นนะทีนี้เราเลือกแล้วนะนะและไม่ว่าเราจะเลือกอะไรก็ตามเราจะทุกทรมานไปตลอดชีวิต พราะเราได้บางอย่างเราก็จะเสียบางอย่างไอ้ตัวที่เราไม่ชอบมันจะหลอกล้อนเราไปตลอดชีวิตไอ้ความหลอ่อคนนั้นสักพักหนึ่งมันเบื่อแล้วมันก็ไม่หลอ่อแต่เราต้องลำบากกัเพราะว่าเราอยากรวยแต่ว่าเราก็ต้องจนไปเพราะเราติดความหลอ่อแต่พอความเราติ ด, ด้วยเนี่ยเรารวยแล้วเราสะใจแต่เราเห็นหน้าขี้เหร่ทุกวันน่มันจะหลอนเราตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเลือกปุ๊บ ความมีสารภาพเราหายไปหมดเลยนี่แหละสักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินนี่คือการทวนกระแสนะอะไรที่เราเลือกเราจะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เราได้ทําลงไปเสมอเพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งจะตามหลอกหลอนเราตลอดเวลาการทวนกระแสจึงเป็นเรื่องขององค์รวม มันเป็นการทำลายและสร้างสรรไปพร้อมๆกันมันไม่มีการแบ่งแยกใดๆไม่มีการเลือกข้างดำเนินไปตามเหตุและปัจจัยตามความเป็นจริงจึงเป็นวิถีมุ่งสู่ความอิสรภาพที่แท้จริงส่วนคำถามสุดท้ายก็คือว่าเป็นการริดลอนสิทธิเด็กหรือไม่ที่พ่อครูอุ้มเด็กสองคนนี้จากเมืองนอกมาอยู่ป่า อันนี้ก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังเกิดเรื่องที่ไล่แหลมทองพอกูมาถึงปุ๊บพอกูก็ทำไล่ก่อนไล่แหลมทองทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายทำอยู่ทำกินทำทานทำเพราะทำนะทำเพราะธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเราต้องมีอาชีพ มีสัมมาชีวะเราก็ต้องทำทานด้วยทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราทีนี้ไอเด็กๆที่อยู่ในนั้นเป็นแบบรครอบครัวใหญ่เนี่ยนะหนึ่งในนั้นคือคูโกตอนนี้เป็นประธานมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาศสศูนย์ประลานก่อยครั้งหนึ่งเราปลูกต้นมะม่วงเขาก็นั่งเล่นไพ่กันอยู่ในนั้นพวกครูก็เดินไปเขาจะวิ่งหนีบอกอย่าพึ่งไป อย่าพึ่งไปขอคุยด้วยหน่อยนะเขาก็นั่งบ่นว่าอยู่ที่นี่มันไม่อิสระเหมือนไก่อยู่ในซุ้มมันละ่ะทำไมก็ไม่ได้เล่นไพ่ก็ไม่ได้เพราะกลักกเล่นได้ก็ให้เล่นแต่เล่นแล้วมันเสียเล่นไปทำไมเล่นการพนันเสียหมดหนึ่งเสียเวลาเสียสติ เสียความอิสระเพราะเราเป็นทาตของมันนะทีนี้ก็ถามเขาว่ามีไก่ตัวหนึ่งมาอยู่ในซุ้มไก่เนี่ยและอีกตัวหนึ่งมันเดินอยู่ข้างนอกมันอิสระมากถามว่ามีเสือตัวหนึ่งมาเนี่ยมันจะกินตัวไหนก่อนมันเหมือนอิสระแต่มันไปติดเหล้าติดเบียติดยาเสพติดติดหนี้สินอ่ะมันไม่ได้อิสระเลย แต่ไอไก่อยู่ในสมนี่ไม่ใช่ห้องขังนะสมนี้คือศีลคือปอะเกาะป้องกันภัยเห็นไหแล้วจากวันนั้นจากวันนี้เด็กกัโปโลอย่างคูโก้ตอนนี้เป็นประธานมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสสูงปลานก่อยแต่คนที่อยู่กับพ่อครูสองครอบครัวนั้นเขาว่าพ่อครูเป็นบ้าปลูกผักก็ไม่ให้ฉีดยาไม่ให้ใสปนะ่ปุ๋ยนะปลูกปุ๊บมแมลงก็กินเลือจากก้าน นะก็บอกพ่อคูเป็นบ้าเขาก็เลยหนีไม่ถึงสองปีครอบครัวหนึ่งไปติดเอทครอบครัวหนึ่งไปติดเหล้าเป็นหนี้ศินแล้วก็ไปติดคุกอิสระไหมเห็นไหมเราแสวงหาจะอิสระภายนอกแต่เราไม่เคยแสงหาสิทธิ์วะภายในเลยนะซุ้มไก่นั่นไม่ใช่ห้องขังนะลูกโดยเฉพาะ พี่มัธยมต้องฟังมันคือเกาะป้องกันภัยเรานะเข้าใจนะนี่เดี๋คือคําตอบที่พ่อครูพาลูกสองคนมาอยู่ที่นี่นะพ่อครูไม่ทําลายสิทธิริดลอนอะไรเขาเนี่ยพ่อครูรักเขาเพื่ออนาคตเขาเนี่ยพ่อครูถึงมาอยู่ที่นี่เพื่ออนาคตอะไรมาอยู่ป่าอนาคตเราต้องหมายถึงว่าต้องมั่งคั่งร่ํารวยนะพ่อครูไปเจอมาแล้วมันไม่ใช่คําตอบมันไม่ใช่ความสุข อนาคตเขาต้องปลอดภัยต้องทุกน้อยที่สุดต้องมีความมั่นคงในชีวิตมั่นคงคือว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกอนาคตแบบที่เขาไปวิ่งไปนั่นนะสร้างหนี้สร้างสินขึ้นมาสร้างธุรกิจใหญ่โตแล้วพอตายปุ๊บก็ทิ้งภาระหนี้สินให้มันเน่เราลักลูกแบบนั้นนะมันก็กังวลตลอดเวลาเนี่ยมันมั่นคงไหมนั่นแหละ อยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนเห็นที่มาของปัญหามันต่างกันคําตอบที่ว่าทำไมพ่อครูถึงทวนกระแสจำไหมนะแต่พ่อครูไม่ขวางกระแสและพ่อครูไม่สิทธิขวางกระแสโลกด้วยน้ำน้อยย่อมแพร่ไฟแล้วก็พ่อครูไม่ได้ดิ้อรนสิทธิของเด็กพก่อครูรักเขาเพื่ออนาคตเขาพ่อครูจึงพาเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะ เขามีซุ้มไก่ครอบอยู่แต่ซุ้มตัวนี้ไม่ใช่ห้องขังนะเด็กๆก็ต้องเอาไปคิดนะเราคิดในมุมไม่ดีก็มองในมุมดีด้วยเห็นไหมม อ, มองสองมุมนะคนนี้จะเลือกเอาคนรวยคนนี้เลือกเอาคนหล่อสุดท้ายก็ทุกไปตลอดชีวิตเพราะมันได้ยางมันก็เสียอย่างเนี่ยเนี่ยไม่พิจารณาไม่ตัดสินจําคํานี้ไว้ที่เราเหวี่ยงทุกวันนี่คือทางสายกลาง เป็นทางทางเดียวที่จะไปผูกไม่ผูกให้เราเนี่ยไปติดบ่วงเห็นไหมเขาตกเบเ็ดเพียังไงรู้ไหมเขาตกปลาเห็นไหมในเบ็ดนี้ยเขาใส่เหยื่อเนี่มันหลอกล่อเห็นไห ม, เ, หไหมเข้าความหล่อมาล่อเราพี่แพ็ควิ่งใส่เลยเพราะชอบดาราเขาเอาความรวยมาล่อเราพี่ผมก็วิ่งใส่เลยก็ติดเบ็ดเห็นไหมอิสระไหมเห็นไหมถ้าเราสักแต่ว่ารู้สักเออมันหล่อนะจบมันรวยนะ จบใครก็หลอกฉันไม่ได้นั่นแหละเรามีความอิสระตลอดเวลาเมื่อเราตัดสินปุ๊บเลือกปุ๊บเลือกข้างปุ๊บสุดตรงทันทีพระเจ้าถึงชี้ให้เราต้องเดินทางสายกลางนะนี่คือมัชชิมาปฏิปทาเหมือนเราเวี่ยงได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจเวียงทําไมได้ยินทุกโมที่ใจไอ้ในหูกับในใจมันทะเลาะ ก, กันนะ่ะ จิตมันหลงอยู่ที่ใจตลอดชีวิตที่เราจะปลดปล่อยเราก็ใช้เสียงอุบาตก็วิ่งมารู้เสียงไอ้ในหูบอกว่ามาอยู่กับฉันเพลงเพาะเพาะไอ้ใจมันมันเห็นแก่ตัวอยู่กับฉันเราไม่เข้าข้างในหูไอ้ใจมันดึงกลับมาคืนยังอยู่กับฉันนี่สุขใจสุขใจเราวางตัวเป็นกลางเราไม่เข้าข้างในใจบอกมึงอย่าทะเลาะ ก, กันมันก็ดึงกันไปดึงกันมาเราเกิดแรงเหวี่ยงขึ้น แล้วก็อิสระจากในหูกับในใจเห็นไหมในหูมันพูดอะไรก็ช่างเราสักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินแล้วก็ไม่เลือกข้างแล้วสุดท้ายเราก็อิสระจากในหูในใจนี่คือความอิสระที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้ไปพิจารณาดูนะชีวิตเราติดบ่วงอะไรไหมติดโซ่ตัวอะไรเลยไหมอ่าบางคนรักความหลอบางคนรักความรวยแต่ก็ต้องได้ความขี้เละไปด้วยนะ เห็นหน้ากันกินข้าวไม่ลงลสักวันหนึ่งนะอีกคนนึ่งรอรอๆออไม่มีข้าวกินออความหลอกินได้ไหมนั่นแหละถ้าตัดสินปุ๊บเราเลือกข้างปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีวันอิสระนะโอเคนะเอาแค่นี้ก็พอจะได้ปฏิบัติกันชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภรศีรัตนาไตา